ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตธรรมะที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คือเรื่อง การฟังธรรมตามโอกาสอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระสูตรที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวานังเอตัมมังกัลมุตตัมังการได้ฟังธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งคําว่ามงคลก็คือ เป็นความสุขความเจริญแก่จิตใจจิตใจจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจิตใจจะสูงขึ้นเพราะจิตใจของเรานี้มีหลายระดับด้วยกันมีตั้งแต่ระดับมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับพรหมระดับพระอริยบุคคลการเสริมการเสริมสิริมงคลก็เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจ ให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองการฟังธรรมนี้ทรงตัดไว้ว่ามีประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ยินซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับ 3. จะทำให้กมจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ 4. จะทำให้เกิดสัมมาทิฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องหรือปัญญาและ5จะทำให้จิตสุขสงบผ่องใสเบิกบานนี่คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรม ในแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งหมดทั้งห้าข้อก็ได้แต่ก็ยังน้อยจะต้องได้ข้อใดข้อหนึ่งการที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นฟังอย่างไรก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเอง กายสงบเป็นอย่างไรกายสงบก็คือกายไม่เคลื่อนไหวกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเรียกว่ากายสงบกายนิ่งกายไม่เคลื่อนไหวกายไม่ทําอะไรเวลาฟังธรรมเราต้องนั่งฟังเฉยๆเรียกว่าสงบกายแล้วก็มาสงบวาจาก็คือเราไม่พูดคุยกัน เราจะนั่งฟังรรมที่เข้ามาเราไม่มานั่งคุยกันเรื่องคุยกันนี้ต้องรอเอาไว้เวลาอื่นถ้าเราอยากจะฟังทำให้เกิดผลขึ้นมาเราต้องนั่งฟังเฉยๆไม่พูดจาไม่พูดคุยกันและสงบใจเป็นอย่างไรก็คือใจเราต้องไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่คิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่อง รายรับรายจ่ายเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องราวต่างๆตอนที่เราฟังธรรมเราจะต้องมีสติควบคุมใจให้อยู่การฟังธรรมแล้วธรรมจะได้เข้ามาสู่ใจเราได้เมื่อธรรมเข้าสู่ใจอ น, นิสง์ของธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาตามที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้น คือเวลาเราฟังธรรมนี้เรามักจะได้ฟังเรื่องราวที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันเวลาที่เราอยู่ที่อื่นเพราะถ้าเราอยู่ที่อื่นเรามักจะฟังแต่เรื่องราวของที่ต่างๆอยู่ที่ทำงานเราก็จะได้ยินเรื่องทำงานทำการอยู่ที่ท่องเที่ยวเราก็จะได้ยินแต่เรื่องท่องเที่ยวอยู่ตามสถานที่ต่างๆนั้นก็จะมีเรื่องราวของสถานที่เหล่านั้นให้เราได้ยินได้ฟัง การจะได้ยินได้ฟังธรรมจะมากจะไม่เกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่ในสถานที่อื่นๆจะได้ยินได้ฟังธรรมก็ต่อเมื่อเรามาวัดหรือเรามีเครื่องอัดเสียงธรรมะที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเราต้องเปิดฟังธรรมเราถึงจะได้ยินเรื่องฟังเรื่องธรรมเรื่องของธรรมก็คืออะไรก็เรื่องของบาปบุญคุณโทษ เรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นเรื่องราวเหล่านี้เรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าเราไม่มาฟังธรรมแล้วถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมบางเรื่องมาแล้วพอเราได้ยินได้ฟังธรรมอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ เช่นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็อาจจะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็อาจจะสงสัยว่าตายแล้วเราไปเกิดใหม่ได้อีกหรืออะไรไปเกิดใหม่ในเมื่อร่างกายของเรานี้ตายแล้วก็ต้องเอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใครจะไปเป็นผู้ไปเกิดใหม่ใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกเป็นต้น ถ้าเราฟังทำเราก็จะเรียนรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วเรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายส่วนที่ไม่ตายนี้เราเรียกว่าใจใจนี้เป็นธาตุรู้ที่ไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่ได้เกิดมาพร้อมกับร่างกายและไม่ได้ตายไปพร้อมกับร่างกายใจเพียงแต่เป็นผู้มาครอบครองร่างกายเวลาที่มีการ เกิดของร่างกายขึ้นมาใจซึ่งตอนนั้นไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าเป็นผีใจเหล่านี้เป็นกายทิพย์ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นใจได้เหมือนกับเราเห็นร่างกายแต่เราจะไม่สามารถปฏิเสธว่าไม่มีใจได้เพราะ เรามีใจในขณะนี้ขณะนี้ผู้ที่กำลังฟังเทศฟังธรรมก็คือใจใจเป็นผู้รู้ผู้สามารถได้ยินเสียงที่เข้ามาทางตะเข้ามาทางจมเข้ามาทางหูของร่างกายพอเข้ามาทางหูแล้วเสียงก็จะถูกส่งไปที่ใจอี ก, อกที่หนึ่งใจกับร่างกายนี้อยู่คนละโลกกันใจนี้อยู่ในโลกทิพย ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุโลกธาตุก็คือโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกที่ทำมาจากธาตุสีทั้งนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟเช่นร่างกายของเรานี้ก็ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุสี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟที่เราต้องคอยเติมเข้าไปอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปได้เช่นธาตุดมก็มาจากการหายใจเข้าออก เราธาตุลมเข้ามาเติมในร่างกายธาตุน้ําก็คือของเหลวต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายธาตุดินก็คือของของแข็งต่างๆที่เราขบเคี้ยวที่เรากินเข้าไปในปากอันนี้ก็จะเป็นธาตุดินเช่นกับข้าวกับปลาอาหารต่างๆเป็นต้นส่วนธาตุไฟเราก็จะได้มาจากความร้อนของแสงแดดเมื่อธาตุทั้งสี่ ถ้าไปรวมกันในร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมามีการแปลงสภาพจากธาตุสีให้กลายเป็นอาการต่างๆของร่างกายขึ้นมาให้กลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกอันนี้คือร่างกายของพวกเราร่างกายพวกเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้ววันหนึ่ง ดินน้ลมไฟที่มารวมตัวกันในร่างกายก็จะแยกทางกันไปนั่นก็คือเวลาที่ร่างกายตายพอร่างกายตายธาตุลมก็ไม่เข้ามีแต่ธาตุลมก็จะออกมะเหยออกไปจากร่างกายธาตุไฟก็จะออกไปจากร่างกายทำให้ร่างกายนั้นเย็นร่างกายของคนตายนี้จะมีความเย็นมากกว่าร่างกายของคนเป็น แล้วน้ำที่มีในร่างกายก็จะค่อยๆไหลออกมาจนกระทั่งเหลือแต่ธาตุดินส่วนที่เป็นส่วนที่แข็งเช่นกระดูกเป็นต้นถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งถ้าไม่เอาไปเผามันก็จะผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายทำด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องมีธาตุ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายหลายธาตุผสมกันต้นไม้ก็มีธาตุสี่เหมือนกันของที่เป็นของแข็งเช่นรถยนต์อะไรนี้ก็มีแต่ธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ของที่เป็นของเหลวก็เป็นธาตุน้ำเป็นส่วนใหญ่เราอยู่ในโลกร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุแต่ใจนี้เป็นธาตรู้ใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกธาตุใจอยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพ ใจนี้มีความสามารถอยู่ห้าประการด้วยกันคือสามารถรู้อะไรต่างๆได้แล้วก็มีความรู้สึก<ม>เช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็สามารถรับรูปเสียงกิจนสดที่มาทางตาหูจมูกมิ้นกายของร่างกายได้<ม>เวลาตาเห็นรูปรูปที่เห็นนี่ก็จะสุขส่งไปที่ใจด้วยกระแสะ ด้วยกระแสจิตเป็นผู้มารับส่งมารับส่งไปรับรูปเสียงกลิน่นรสจากร่างกายได้แล้วสามารถรู้รูปเสียงกลิน่นรสเหล่านั้นว่าเป็นรูปอะไรจดจำได้มีความจำได้หมายรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้ด้วยความคิดต่างๆเวลาที่เราอยากจะให้ร่างกายทำอะไรเราก็สั่งร่างกายไปเวลาใจต้องการให้มาที่วัดนี้ ใจก็สั่งมาที่ร่างกายว่าวันนี้จะไปวัดกันนะจะไปฟังเทศฟังธรรมจะไปทำบุญอันนี้ก็คือความคิดของใจใจเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำาะไต่างๆเขาจึงเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือคนสองคนในชีวิตของพวกเราพวกเรามีคนสองคนด้วยกันคนหนึ่งเป็นร่างกายอีกคนหนึ่งเป็นจิตใจ ร่างกายเป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปในที่สุดใจนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นของชั่วคราวใจเป็นของยั่งยืนไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไป <c oughs> ใจก็ยังอยู่ต่อใจก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์ใจกับร่างกายนี้เหมือนอยู่ อยู่โลกนี้กับโลกพระจันทร์ส ม, ม่ว่าร่างกายอยู่บนโลกนี้ใจเหมือนอยู่ในโลกพระจันทร์แล้วใจก็ส่งกระแสใจนี่มาสั่งการมารับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังอยู่ต่อใจจะอยู่แบบไหนอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ก็เกิดขึ้นจากบุญหรือบาปที่ได้ทํา ในขณะที่ใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆเช่นเรามักจะสั่งให้ร่างกายไปทำนูน่ทนทานี่บางทีก็ไปทำผิดเราอยากได้อะไรมากๆเราก็อาจจะต้องใช้กลวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปโกหกบ้างไปลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างหรือไปประพฤติผิดในการมบ้างเป็นต้ น, น, นการประพฤติเหล่านี้เป็นการกระพฤติที่จะให้โทษกับจิตใจ จะให้ใจนั้นทุกเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ใจส่วนการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์บางทีเราก็สั่งให้ใจไปทำคุณทาประโยชน์สั่งให้ร่างกายไปทำคุณทาประโยชน์เ<ม>ช่นวันนี้ก็สั่งให้มาทำบุญเอาข้าวเอาของมาทำบุญตอนเช้าเราก็ทำบุญใส่บาตรหรือระวันไหนเราอาจจะมีความอยากจะทำความดีเราก็ไป ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้บริจาคเงินให้องค์กรนั้นองค์กรนี้ให้ทําคุณทําประโยชน์<ม>นี่ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญเป็นการทําความดีเมื่อทําความดีก็จะทําทให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเมืม่อทาความไม่ดีทําบาปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วความสุขใจความทุกข์ใจนี้ก็จะสะสมไว้อยู่ในใจไปเรื่อยๆพอร่างกายตายไป ความสุขใจและความทุกข์ใจที่ได้ทําไว้ก็จะมาแสดงผลให้เกิดขึ้นที่ใจฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะแสดงผลก่อนถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจทุกในดวงวิญญาณในขณะที่ร่างกายตายไปความทุกข์ที่ในดวงวิญญาณนี้เราเรียกว่านารกเลื่อบายส่วนถ้าเป็นบุญ มีกำลังมากกับบาปบุญก็จะเป็นผู้ส่งผลให้บุญก็จะส่งให้ก่อความสุขใจขึ้นมาแล้วจะแสดงออกในในรูปแบบของความฝันนี่เองเวลาที่เรานอนหลับนี่เราก็เหมือนตายไปชั่วคราวร่างกายนอนเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเหมือนคนตายใจก็เลยใช้บุญหรือบาปเป็นผู้ให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับใจ ถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าในใจเรานี้มีบุญมากกว่าบาปถ้าเราฝันไม่ดีฝันร้ายแสดงว่าใจของเรามีบาปมากกว่าบุญอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างบอกเราไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปเวลาที่ร่างกายตายจริงๆนี้เราจะอยู่ในสภาพไหนเราอยู่ในสภาพที่ฝันดีหรือใน สภาพที่ฝันไม่ดีถ้าเราอยู่ในสภาพที่ฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆฝันดีก็มีหลายระดับของความสุขสุขมากสุขน้อยก็อยู่กับบุญที่ได้ทำไว้ทำมากทำน้อยแล้วก็ถ้าฝันร้ายฝันไม่ดีก็แสดงว่าใจอยู่ในสภาพของของบาปเป็นผู้ส่งผล ทุกมากทุกน้อยก็อยู่ที่บาปที่ได้ทำไว้ว่าทำมากทำน้อยทําหนักทําเบาเป็นต้นนี่คือสภาพที่เราเรียกว่าสวรรค์หรือนรกเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายนี้ไม่เป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ผู้ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปสวรรค์หรือไปนรกตายอย่างใดผู้ที่ไปก็คือใจผู้ที่อยู่ในโลกทิพนี้สวรรค์นรกนี้อยู่ในโลกทิพย์ ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายเราอย่าไปหาสวรรค์บนท้องฟ้าหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออย่าไปหานรกในใต้ดินหาเท่าไหร่ก็จะไม่มีนรกอยู่ใต้ใต้ดินแต่มันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนที่อยู่ในโลกทิพนี้นี่คือนรกหรือสวรรค์แล้วเราก็จะอยู่ในนรกหรือในสวรรค์ไปจนถึงเวลาที่บุญหรือบาปที่ส่งผลให้มันหมดกาลังลง พอเรามาอยู่ในจุดที่บุญกับบาปมีกำลังเท่ากันบุญกับบาปเรายังมีเหลืออยู่ในใจแต่มันมีผลเท่ากันมีกำลังเท่ากันคือบุญก็ไม่สามารถส่งผลให้เราอยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถส่งผลให้เราอยู่ในนรกได้เวลานั้นเราก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ถ้าเรายังมีเหตุที่ทำให้เราอยากจะกลับมาเกิดอีก ถ้าเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาครอบครองพอมีพ่อแม่คนใหม่ตั้งคันขึ้นมาดวงวิญญาณก็จะไปครอบครองทันทีส่งกระแสของดวงวิญญาณนี้ไปครอบครองร่างกายอันใหม่ที่กาลัง ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในร่างกายของของมารดาของแม่แล้วก็รอให้จนทั้งร่างกายเจริญเติบโตแล้วคลอดออกมาแล้วก็เริ่มใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจต่อไปนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราทุกคนของดวงใจดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนเวลาที่เรามีร่างกาย เราก็เรียกเราเรียกเราก็เรียกว่าใจเรียกธาตุรูร้นี้ว่าใจเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกธาตุรู้นี้ว่าเป็นดวงวิญญาณนี่แหละคือความจริงที่เรายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเพราะตาของร่างกายนี้จะเห็นได้เพียงแต่สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้โลกของธาตุสีเราเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นน้ำทะเลเห็นอะไรต่าง ที่เป็นธาตุที่ทำมาจากธาตุสี่แต่เราจะไม่สามารถเห็นธาตุรู้ได้ไม่สามารถเห็นตัวจิตใจได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราสามารถที่จะเห็นธาตุรู้ได้ด้วยตาของใจเองใจนี้สามารถที่จะมองเห็นตัวของตัวเองได้แต่ต้องอาศัยกระจกส่องให้เห็นกระจกที่จะส่องให้เราเห็นใจนี้เราเรียกว่าธรรมหน้ ทำที่เราปฏิบัติกันเลยธรรมะปฏิบัติ mm hmm. คือการบําเพ็ญจิตตภาวนา mm hmm. การทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสมาธิ mm hmm. ถ้าเราทำใจให้นิ่งให้สงบเข้าสมาธิได้ mm hmm. เราจะเปิดตาในขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มเห็นใจขึ้นมาเริ่มมีความรู้จักรู้จักใจของเราขึ้นมาว่าอ๋อใจของเรานี้เป็นผู้รู้นี่เองเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้มีความรู้สึกผู้มีความอยากได้สิ่งต่างๆผู้ยังผู้มีความคิดดีบ้างชั่วบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะเริ่มเห็นตัวของเราเองเราต้องมีกระจกของธรรมเป็นผู้ส่องใจเหมือนกับเวลาเราอยากจะดูหน้าตาของร่างกายเราถ้าเราไม่มีกระจกเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องอาศัายกระจกเงาส่องดู หน้าตาของร่างกายของเราว่าเราเป็นอย่างไรมีจมูกเป็นอย่างไรมีคิ้วเป็นอย่างไรมีริมฝีปากเป็นอย่างไรมีสัดส่วนสูงเท่าไหร่อ้วนหรือผอมผมสั้นผมยาวอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องของร่างกายถ้าเราอยากจะเห็นตัวร่างกายเราก็ต้องส่องกระจกเงาดูฉันใดถ้าเราอยากจะรู้จักใจของเราว่าเป็นอย่างไรเราก็ต้องส่องกระจกทำ เรียกว่าแว่นดวงใจหรือแว่นดวงใจก็คือธรรมะที่เราปฏิบัตินี่แหละคือการบําเพ็ญจิตตภาวนาการจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจให้นิ่งให้สงบ เ, เวลาใจนิ่งใจสงบนี้ใจจะถอนออกจากร่างกายชั่วคราวใจจะไม่รับรู้เรื่องของเรื่องร่างกายไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะท์ี่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกาย ใจจะแยกตัวออกจากร่างกายชั่วคราวแล้วใจก็จะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆที่มีปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจจะเห็นตัวรู้ขึ้นมาเห็นตัวคิดขึ้นมาเห็นตัวตัวรู้สึกขึ้นมารู้เห็นตัวจำได้หมายรู้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในใจของเราแต่ที่เราไม่มองเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่มองกันหรือเราไม่มีกระจกไว้ส่องดูนั่นเอง เหมือนกับร่างกายของเราถ้าเราไม่มีกระจกเราก็จะมองไม่เห็นร่างกายของเราเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาร่างกายของเรานี้เป็นอย่างไรเป็นต้นชั้นใดใจก็เหมือนกันเราไม่รู้จักร่างกายของเราไม่รู้จักใจของเราก็เพราะว่าเราไม่เคยมีกระจกส่องดูนั่นเองชาตนี้พวกนี้เรารู้เป็นพวกที่โชคดีได้มาเกิดมาเจอ พ, พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้เราดูใจของเราเองได้ด้วยวิธีการเอากระจกมาดูกระจกของใจกระจกของใจก็คือการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือสมถภาวานาและวิปัสสนาภาวานานี่เวลาเราภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบในเบื้องต้นก่อนเราก็จะแยกใจออกจากร่างกายแล้วเราก็จะเปิด เราก็จะได้เห็นเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรา uh huh. แต่ตอนแรกนี้เรายังจะไม่รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ, ๆที่เราเห็นนั้นเป็นคุณเป็นโทษเป็นอะไรเป็นประโยชน์หรือเป็นเป็นพิษเป็นภัย uh huh. เราต้องภาวนาขั้นที่สองที่เรียกวิวปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็จะสอนให้เรารู้จักแยกแยะสิ่งที่มีใน ใ, นใจของเราที่มีทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มี ที่เป็นบุญก็มีที่เป็นบาปก็มีที่เป็นคุณก็มีเป็นโทษก็มีที่เป็นนรกก็มีเป็นสวรรค์ก็มีที่เป็นนิพพานก็มีสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดจากการภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาแต่การภาวนาขั้นที่หนึ่งนี้จะทําให้เรามองเห็นใจโดยสังเขตมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีในใจเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์แต่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เราต้องอาศัยวิปั ส, สนาขั้นที่สองมาแยกแยะคือปัญญาเมื่อเราสามารถแยกแยะได้เราก็จะสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราได้สิ่งที่สิ่งที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษกับจิตใจเราก็กำจัดมันเช่นบาปที่เราคิดในใจคิดอยากจะฆ่าสารลักทรัพประเพฤตผิดในการเป็นต้นเนีย แล้วก็หยุดคิดถึงเรื่องราวเหนี้ไปแล้วก็ปัญหาความอยากต่างๆที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเห็นว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์เราก็หยุดการเกิดได้ด้วยการหยุดปัญหาความอยากด้วยการสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งที่อยากได้เป็นของชั่วคราวถึงแม้จะให้ความสุขก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว พอความสุขนั้นสิ้นสุดลงความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ท, ทันทีนี่คือการการการทำความรู้จักกับใจของเราทําการแยกแยะสิ่งที่มีคุณมีโทษในใจของเราตอนนี้เรายังไม่สามารถแยกแยะได้เรายังไม่รู้ว่าการกระทํำของเราการคิดของเรานี้คิดไปแบบนี้แล้วจะนําไปสู่ความสุขนึ่งนำไปสู่ความเจริญ เพราะบางทีเราถูกความหลงมันหลอกเราความคิดของเราที่เราคิดว่าจะนำเราไปสู่ความสุขนั้นความจริงมันนำเราไปสู่ความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเช่นถ้าเราคิดว่าการมีลาบยศสนเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสนี้เป็นความสุขอันนี้แหละเป็นความหลงเพราะเราไม่รู้ว่าลาบยศสนเสริญสุขนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมได้ เวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลาได้ราบยศสารเสริญสุขมาเราก็ดีใจกันแต่พอเราสูญเสียราบยศสารเสริญสุขไปเราก็เศร้าโศกเสียใจกันอันนี้เราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาความรู้ความฉลาดที่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ว่าอันไหนความคิดอันไหนนาไปสู่ความทุกข์ ความคิดอันไหนนำไปสู่ความสุขนี่ละคือเรื่องราวของธรรมะที่เราจะได้ยินได้ฟังที่มันมีอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาแต่เรากลับมองไม่เห็นมันเพราะเราไม่เคยไปดูมันนั่นเองเหมือนกับเราไม่ดูหน้าตาเราถ้าเราไม่มีกระจกเราก็เราก็จะไม่เห็นหน้าตาของเราเป็นอย่างไรแต่โชคดีที่เรามีกระจกกันทุกวันนี้ก่อนที่เราออกจากบ้านเราจะต้องมองดูกระจกก่อน เรือว่าหน้าตาของเราเรียบร้อยหรือเปล่าต่งกายเรียบร้อยหรือเปล่าะสะอ า, าสะอาด ห, หรือไม่นี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่เราจะได้ยินได้ฟังกันเวลาที่เราฟังธรรมเรื่องเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกฎแห่งกรรมเมื่อเราได้ฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลา ด, ำดำับ แล้วความสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนิพพานเหล่านี้จะไม่มีความสงสัยต่อไปอเพราะเราจะรู้เราจะเข้าใจเราจะเห็นเพียงแต่ว่าเรายังจะทำให้มันปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเองก็อยู่ที่ความพยายามของพวกเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีให้เราจเจริญรุ่งเรืองให้เรากำจัดเหตุที่พาให้เราเสือ่อม เหตุที่พราให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันสอนวิธีให้เราไปนิพพานกันถอนวิธีที่เราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราเชื่อแล้วรน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าดังที่พระอรหันตสาวรกทั้งหลายได้ไปถึงกัน พระหลานตัสาวกทุกรูปก็ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกทางนี้จะไม่มีใครในเรกนี้ที่จะสามารถไปถึงพันธนิพพานได้ด้วยตนเองยกจากยกเว้นจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถนําพาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่ก็คือเรื่องธรรมะต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังกันทุกครั้งที่เราฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะได้เรื่องฟังเรื่องราวเหล่านี้ในในรูปแบบต่างๆเพราะในแต่ละเรื่องนั้นมีรายละเลอียดมากมายที่ไม่สามารถที่จะแสดงได้ให้ครบทุกบททุกบาทในขณะที่ฟังเทศเพียงครั้งเดียวก็ต้องมีแบ่งเป็นขั้นๆเป็นขั้นเป็นตอนไปตอนในเรื่องต่างๆไป แล้วเราก็ต้องฟังบ่อยๆฟังแต่หลายๆเรื่องด้วยกันฟังนล้วมันก็จะเป็นเหมือนเราได้ชิ้นส่วนของภาพใหญ่ขึ้นมาประกอบกันฟังทั้งนี้ก็ได้ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นฟังครั้งที่สองก็ได้ชิ้นส่วนมาภาพของภาพอีกหนึ่งชิ้นเราก็ค่อยๆเอามารวมกันแล้วต่อไปเราก็จะได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าร่างกายเปไ็นอย่างไรจิตใจเปไ็นอย่างไรใครเป็นผู้ตายใครเป็นผู้ไม่ตาย ใครเป็นผู้ไปเกิดใหม่ใครเป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดใครไปใครไปเป็นผู้ไปสวรรค์ใครเป็นผู้ไปนรกเรื่องราเวาเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความลับแต่อย่างใดที่มันรับสําหรับพวกเราเพราะเราไม่มองมันเราไม่มีเครื่องมือที่จะมองมันเราไม่มีกระจกที่จะมองมันนั่นเอง <warn. S 2> แต่สําหรับพระพุทธเจ้าและพระอรันทสาวกทั้งหลายนี้เรื่องราวเหล่านี้ท่านเห็นชัดเจนเพราะท่านมีกระจกท่านมีธรรมะนั่นเองมีดวงตาเห็นธรรม กระจกขันธ์ธรรมก็คือดวงตาเห็นธรรมนี่ที่จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนี่ ก, ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้เวลาสำหรับการแสดงธรรมก็หมดพอดีก็เลยต้องขอยุติไว้เพียงเทาง่านี้แล้วในลำดับต่อไปเราก็จะมานั่งสมาธิกันมาปฏิบททัติธรรมมาเปิดตาในของพวกเรา มาเปิดดวงตาให้เห็นธรรมขึ้นมาด้วยการทําใจให้นิ่งให้สงบเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราจะไม่เห็นเวลาที่ใจไม่นิ่งเวลาใจไม่นิ่งเราจะเห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะแต่เวลาใจเรานิ่งนี้เราจะเห็นบา บ, บุญคุณโทษนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ใน ใ, นใจของเราดังนั้นขั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิ ก, กันเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบ เราจะทำใจให้นิ่งให้สงบเราต้องหยุดคิดให้ได้ถ้าหยุดคิดไม่ได้ใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่นิ่งไม่สงบก็จะไม่เห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจเราต้องมาหยุดความคิดด้วยเอาอุบายวิธีของกรรมฐานกรรมฐานก็คือเครื่องกล่อมใจเราต้องมีสติคอยควบคุมใจผูกใจให้อยู่กรรมฐานคืออารมณ์กล่อมใจอารมณ์กรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกัน แต่เราเวลาใช้เราก็ใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นบางท่านก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธบางท่านก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือที่หน้าท้องก็ได้แต่เราต้องมีกรรมฐานไม่ยึดเหนี่ยวจิตใจใจต้องระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานถ้าเราใช้ลมก็ดูลมถ้าเราจะดูที่ปลายจมูกก็ดูที่ปลายจมูกที่เดียว ถ้าเราจะดูที่หน้าท้องแล้วก็ดูที่หน้าท้องที่เดียวถ้าเราจะใช้คำบริการพุทโธเราก็อยู่กับคำบริการพุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้ไม่ต้องเอาพุทโธมาผูกไว้กับลมก็ได้สามารถใช้พุทโธโดยไม่ต้องไปผูกกับลมก็ได้แต่ถ้าอยากจะไปผูกกับลมด้วยก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความพอใจหรือถ้าเวลาจะนั่งสมาธิใจยังคิดมากอยู่ไม่สามารถผูกใจให้อยู่กับลมได้ไม่สามารถให้อยู่กับพุทโธได้ พอชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ในบทที่เราจําได้นั่งหลับตานั่งสมาธิสวดไปสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าความคิดต่างๆเริ่มเบาลงแล้วเราค่อยกลับมาดูลมหรือ ม, มาบริกรรมพุทโธต่อไปแต่เราต้องอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมไปจนกว่าใจจะนิ่งใจก็ใจจะสงบใจจะเกิดสมาธิขึ้นมานนเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันก็จะหยุดไปเอง การดูรวมก็จะหยุดไปเองคําบริกรรมพุโทโธก็จะหยุดไปเองเพราะใจมันนิ่งมันสงบเวลามันนิ่งมันสงบนี้มันจะเหมือนกับการตกลุมตกบอ่อบางทีก็ตกจากที่สูงลงมาบางทีก็ตกเป็นขั้นบันไดลงมาแต่มันจะมีความรู้สึกว่าเบาขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นเย็นขึ้นนิ่งขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับแต่อย่าไปสนใจเวลาเกิดอาการเหล่านี้หรือคิดจะไม่เกิดก็อย่าไปคิดถึงมันให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่เพียงอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นถ้ามีอะไรแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจความคิดเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีความรู้สึกของร่างกายเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีอะไรเข้ามาอย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานของเราไปใจถึงจะนิ่งถึงจะสงบถึงจะเข้าสมาธิได้ ล, ลำดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาประมาณ25นาทีด้วยกัน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 ถานั่ยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังน้อยควรจะเจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวันก่อนที่จะมานั่งสมาธิเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดอะไรอย่าคิดมากคิดให้น้อยที่สุดแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้แล้วต่อเป็นนี้จะขออนุโมทนาให้พร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 ทาราสยทาสสะพิทยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตระยุสุขีีตาโยโกภวะอภิวาธนาสีฤทสะนิจจังวุฒาปะจายโนยตาโรธรมมวัฏฐานติอายุวโนสุขัง ลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามถ้ามีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่จะได้คำตอบเพราะถ้าเลิกแล้วมาถามนี้จะไม่ได้คำตอบต้องขออภัยด้วยเพราะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สองร้อยหกสิบเก้าพระสุชาติไลฟ์สามร้อยยี่สิบเก้าดรวสามสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์แปดคลับเฮาส์เจ็ดหน้ากูติสองร้อยสามรวมแปดร้อยห้าสิบสองค่ะคุณยมเนี่ถามเชิญครับกลับนมัสาการครับอพอดีว่าช่วงที่ นั่งฟังเทศแล้วได้นั่งสมาธิไปด้วยช่วงระหว่างฟังช่วงระหว่างที่นั่งคือมีอาการแบบว่าพูดทางงานเลยมีอาการแบบว่าจิตกระชากไปกระชากมาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าช่วงที่หนูนั่งก็คือหนูภาวนาพุทโธไปด้วยไม่ทราบว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้เบาตัวนี้หน่อย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะแล้วว่าแล้วจะมีวิธีแก้ไขยังไงคะเพราะว่ามันถี่จนจนหนูออกออกจากสมาธิแล้วแล้วแล้วมันปวดหัวมากเลยอะค่ะคือสติเลว ย, ยังไม่ค่อยดีพอจิตมันก็เลยแกว่งได้รางนั้นพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมใจอย่าให้มันคิดมาก้วเวลามานั่งถ้า นั่งนี้ดูลมเนื้อใช้อะไรด้วยเนื้อนั่งเฉยๆนั่งภาวนาพุโทโธที่ลมพ่อท่านบอกค่ะให้กําหนดอยู่ที่ลมหายใจของเราเ อ, อ่อบางีถ้าดูลมมันอาจจะไม่สามารถที่จะระงับมันได้ก็ลองใช้พุโทโธอย่างเดียวไปก่อนพุโทโธให้มันแรงเร็วขึ้นถี่ขึ้นหน่อยก็ได้แล้วจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเราไม่เป็นไรหรอกมันเป็นธรรมดาจิตนี้ไม่มีวันตายไม่มีใครทําลายมันได้หรอกมันก็มีสถงอาการณ์ แ ป, แปลกขึ้นมาทั้งเองใช่ค่ะเพราะว่ารอบก่อนนั้นหนูนั่งแล้วมันกระช่าแต่ว่ารอบนี้มันถี่เกินเออก็มันสำคัญที่สติถ้าเรามีสติดีมันจะไม่ค่อยแกว้งถ้าสติเราไม่ดีมันก็จะแผงฤทธิ์ได้ยังน้นก็เวลามันจะแผงฤทธิ์แล้วก็พยายามพุโทโธพุโทโธพุโทพโธลวสวดอิติปิโสไปก่อนก็ได้นันจะช่วยดึงให้จิตหายแกล้งได้ มันต้องอาจจะต้องใช้วิธีสวดอิติปิโสหรือพุโทโธธรรมสังโฆพุโทโธธรรมสังโฆไปก่อน<ะ>ให้มีสติมากขึ้นแล้วจิตมันก็จะหายแข็งแต่ไม่ต้องกลัวอะไรจะเกิดขึ้นใลยคะที่นั่งสมาธินี่มันเป็นปรากฏการ์เหมือนทําเหมือนของที่ปรากฏในท้องฟ้าเนี่ยมีดาวตกมีเครื่องบินอะไรอย่างนี้มันก็มันไม่มาทำลายท้องฟ้าได้ใช่ไหมใ<ะ>นจิตเราก็เหมือนกัน อะไรจะเกิดขึ้นในจิตนี้ไม่สามารถที่มาทำลายจิตเราได้ดังน <ฮะ S 1> เราไม่ต้องกลัวความกลัวนี่แหละจะเป็นตัวทำให้จิตเราบ้าไนดะ้ดังนั้ เ, <พอ S 1> เราไม่ต้องกลัวพอลราเรากลัวให้นึกถึงพระ พ, พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปพุทโธธรมโมสางโคล้วเดี๋ยวจิตสงบแล้วก็หายกลัวค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็มาแต่ว่าเมื่อวานไม่ไม่เป็นใช่ค่<ฮ>ะเมื่อวานไม่เป็นไม่น่เพราะจิตเรามันที่สติบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดี เอให้รู้ว่ามันไม่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อันนี้จงไม่เทียมอนัตตาเราควบคุมมังคับไปไม่ได้แต่เรารู้เฉยๆได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจได้<ะ>ทำใจให้นิ่งเฉยมันจะแกว่งมันจะเป็นอะไรก็ให้รู้เราก็ยึดพุทโธธรทโมสังโฆไป<ะ>แล้ว<ะ>ถ้าเรานั่งไปไงเราจิตมันหลุดไม่หลุดหรอถ้าเรามีสติมันไม่หลุดหรอกถ้ามันหลุดแสดงว่ามไม่มีสติอั อย่าทิ้งสติต้องมีสติตลอดเวลาเวลาที่เรานั่งต้องผูกใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธถ้าผูกกับลมมันไม่ได้ก็ใช้พุทโธแทนบางทีลมนี่มันต้องต้อ ง, ต, องต้องจิตที่มีสติมากขึ้นก็มีความสงบมากขึ้นถึงจะดูลมได้ถ้าจิตยังแกว่งยังยังยังยังมีแรงอยู่นี่ต้องใช้พุทโธแล้วใช้สวดมนต์ไปก่อนแล้วมันจะ fight, ทําให้จิตมันค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วค่อยมาดูลมต่อไนดะ้ ค่สาทูสาทูแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนั่งต่อไปได้รับประกันไม่ตายไม่ไม่อะไรทั้งสิ้นการภาวนานี่ยทําให้กิเลสตายแต่เราไม่ตายจิตจะไม่ตายมันเหมือนกิเลสสู้กันอยู่เนี่ยใช่กิเลสมันจะต่อต้านเนี่ยกิเลสไม่ชอบความสงบเพราะมันทํางานไม่ได้เวลาความสงบกิเลสก็โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงไม่ได้มันเลยไม่อยากให้เราสงบมันก็เลยหาเรื่องคอยขัดขวางการทําใจให้สงบขึ้นมาทั้นองอ่ะ ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรถ้ากลัวถ้าถ้าเป็นอะไรในพระเจ้าเจ้าตายไปหมดแล้วพระเจ้าพาลหลานตายเป็นหมดแล้วไม่มีอะไรใจนี้เป็นของไม่ตายค่ะสาวดงสาวดงค่ะคํ า, า, าคถามจากคุณเมลอนค่ะถ้าเราเปิดเทปธรรมะไว้แล้วบริกรรมพุทโธไปด้วยได้ไหมคะ ใช้รู้สึกว่าภาวนาขณะได้ยินเสียงเทศจิต จ, จะสงบมากกว่าค่ะก็เอาอย่างเดียวดีกว่าถ้าสองอย่างมันจะชนกันถ้าฟังเทศก็ฟังไปเลยถ้าจะพุโทโธก็ปิดเสียงเทศไปอย่าเอาสองอย่างมาชนกันนะมันจะทําให้ใจเราวุ่นไวายได้เอ๊ะเดี๋ยวจะพุทโธดีก็จะฟังธรรมดีเอาอย่างเดียวนะเราต้องการทําใจให้เป็นหนึ่งตอนนี้ใจเราเป็นสองเป็นสามคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา เราต้องการหยุดคิดให้มันอยู่เป็นหนึ่งเดียวสักแต่ว่ารู้นัให้มันรู้อยู่อยู่เรื่องเดียวรู้อยู่กับพุโทโธ ร, รู้รู้อยู่กับเสียงธรรมก็ได้ถ้าจะฟังธรรมก็ไม่ต้องพุโทโธถ้าจะพุโทโธก็ไม่ต้องฟังธรรมจะดีกว่าคำถามทาง facebook จากคุณรักจังค่ะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์เจ้าค่ะการสวดบทธรรมจกักถือว่ามงคลอย่างยิ่งไหมาเจ้าคะ่ะควรฝึกสวดด้วยไหมเจ้าคะ่ะ ต้องสวดบทที่เราเข้าใจความหมายจะดีกว่าถ้าสวดภาษาบาลีเราจะไม่เข้าใจความหมายเราจะไม่ได้ปัญญาเราจะได้เพียงแต่สติคือใจเราจะจะอยู่กับบทสวดแต่เราไม่เข้าใจบทสวดควาจริงถ้าเราสวดเป็นภาษาไทยได้จะดีกว่าไปเอาสวดที่มีคําแปลแล้วก็สวดแต่ภาษาไทยเนี่ยเราก็ทำหนังสือนี้เป็นภาษาไทยมาแจากอยู่ เ, เนี่ยปัญจ บัรจุสูตรเนี้มีอยู่ห้าสูตรด้วยกันแต่เป็นภาษาไทยให้สวดเป็นภาษาไทยเพราะมันเราจะได้เข้าใจด้วยสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพูดภาษาบาลีก็เลยต้องใช้ภาษาบาลีแต่ถ้าเราใช้บาลีเราไม่เข้าใจความหมายเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการสวดนอกจากได้สติได้สมาธิเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้ปัญญาเราต้องสวดภาษาไทยเราจะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิด้วย คำถามจากทาง Facebook คุณจิติมาค่ะถือศีลแปดที่บ้านแล้วต้องหาข้าวให้มันดาทานเช้ากลางวันเย็นสามารถทำได้ไหมคะยังไม่สะดวกที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเจ้าค่ะได้แต่อย่าไปชิมกันแล้วกัน <laughs> ชิมกเดี๋ยวมันไม่ใช่ชิมคำเดียว <laughs> คำถามจากทาง Inbox ค่ะอยากสอบถามพระอาจารย์สองข้อค่ะ ข้อที่หนึ่งถ้าเราตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาสามารถจําชาติที่เราเพิ่งตายไปได้ไหมคะแล้วแต่ว่าเรามีมีอภิญญาหรือเปล่ามีความสามารถพิเศษหรือเปล่าบางคนมีความจําดีก็สามารถระลึกชาติได้บางคนไม่มีความจาไม่ดีก็ระลึกไม่ได้ส่วนใหญ่จะระลึกไม่ได้คนที่มีความสามารถนี้จะมีน้อยมากประมาณร้อยละห้าเปอร์เซ็นคนที่ นีความสามารถละลึกชาติได้เช่นพระพุทธเจ้าผาหลานผ้าหลานทุกลูกก็ไม่ได้ละลึกชาติได้ทุกลูกบางลูกก็ลเลึกชาติได้บาง ล, ลูกก็ร ล, ลึกไม่ได้แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญอะไรการละลึกชาติไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดข้อที่สองค่ะและเราสามารถลงมาหาลูกหลานของเราในชาติที่เพิ่งตายไปได้ไหมคะถ้าเขาติดต่อกับเราได้ถ้าเขามี มีอภิญญาสามารถติดต่อกายทิพย์ได้เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ติดต่อกับพุทธมารดาได้แม้พระพุทธมารดาจะตายไปตั้งหลายปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วแต่พอพระพเจ้าตัดสรูมีดวงตาเห็นธรรมมีความสามารถจะติดต่อกับกายทิพย์ได้พระพเจ้าก็ติดต่อกับพุทธมารดาได้ คำถามจากทาง Facebook คุณจิรวันค่ะการนั่งสมาธิโดยการเอาจิตจดจ่อลมหายใจเข้าออกที่ท้องและภาวนาพุทโธถือเป็นการเพ่งจิตหรือไม่เจ้าคะไม่ได้เพ่งจิตเพ่งลมเพ่งท้องเราไม่ต้องไปเพ่งจิตเราต้องการมีอะไรผูกจิตไว้ไม่ให้จิตทํางานอย่าไปดูจิตถ้าดูดูจิตจิตก็ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งทำงานใหญ่เราไม่ต้องการเราต้องการให้จิตนิ่งวิทยาจิตนิ่งเราต้องเพ่งอะไรอย่าง เพลงพุทโธก็ได้เพ uh, ่งลมหายใจก็ได anyway> ้เพ่งโครงกระดูกก็ได้เป็นต้นแล้วใจก็จะนิ่งได้เพราะใจมันถูกผูกไว้กับพุทโธผูกไว้กับลมมันก็เลยดิ้นไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะนิ่งได้ถ้าถ้าดูจิตจิตก็คิดไปเรื่อยไม่ดูดูกูแต่ไม่ห้ามกูไม่ให้คิดใช่ไหมมันก็คิดไปเรื่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโลเรื่องโกรเรื่องหลงมันคิดได้หมดถ้าเราดูจิต เรื่องการดูจิตนี้ต้องเป็นเรื่องวิปัสนาดูจิตเพื่อหยุดจิตไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ให้คิดไปในทางโลภโกรดหลงแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราไม่มีกําลังที่จะหยุดจิตได้ก็อย่าเพิ่งไปดูจิตสร้างกําลังขึ้นมาก่อนด้วยการดูร่างกายดูลมหรือดูพุทโธไปก่อนพอเรามีกําลังจะหยุดได้แล้วทีนี้เราก็ดูจิตได้พอจิตโลภเราก็สั่งให้มันหยุดได้พอจิตโกรดเราก็สั่งให้มันหยุดได้ ตอนนี้เราสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมมันโลภ ก, ก็อยากจะเอาอย่างเดียวมันโกรธก็อยากจะด่าคนนั้นคนนี้แต่เรายังไม่มีกำลังที่จะไปหยุดจิตได้อย่าเพิ่งไปดูจิตสร้างกำลังขึ้นมาก่อนด้วยการดูลมหายใจแล้วดูพุโทโธพุโทโธไปคำถามจากคุณธีร ก, กันตนาค่ะ วันนี้ฟังธรรมะและนั่งสมาธิพร้อมพระอาจารย์ได้44นาทีจนถึงจุดที่ไม่มีความคิดแล้วรู้เฉยๆไปจนหมดเวลาเจ้าค่ะตรงจุดที่ไม่มีความคิดและรู้เฉยๆนี้คือจุดอิเบคาที่เราต้องการให้ได้มากๆเพื่อเอาไปให้ความทุกข์บาบางลงจากอวิชชาที่เป็นผู้คิดใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องจิตนิ่งแล้วเราก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าจิตไม่นิ่งก็หยุดมันไม่ได้ คำ ถ, ถามจากคุณเปียกบ้านช้างลูกๆซื้อของต่างๆมาให้ผมแล้วผมแบ่งสิ่งของนั้นๆไปทำบุญถวายพระในวันพระคือบุญจะไปเกิดกับลูกหรือเกิดกับผมครับคือลูกได้บุญตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วแล้วเราไปทำบุญอีกทอดหนึ่งอันนั้นก็เป็นของเราแต่ถ้าลูกสั่งไว้ก่อนว่าพ่อเอาเอาของนี้ไปทำบุญให้หน่อยนะถ้าอย่างนี้พ่อไม่ได้บุญเลยพ่อรับใช้ลูกลูกได้บุญคนเดียว แต่ถ้าลูกให้พ่อไปแล้วแต่พ่อจะไปทําอะไรก็สุดแท้แต่พ่อให้แล้วก็วถือว่าเป็นการทําบุญกับพ่อลูกก็ได้บุญแล้วแล้วพ่ออยากจะเอาของนี้ที่ได้แบ่งไปทําบุญกับพระพ่อก็จะได้บุญอีกส่วนหนึงคำถามจากคุณต่อชา้นหนึ่งชา้นสองชานสามชา้นสี่หมายถึงอะไรบ้างครับก็เหมือนเกรถยนต์น่ะมันก็มีมีความความเร็วรอบมากขึ้นน้อยลง ชาชานหนึ่งมันก็สงบในระดับหนึ่งชาที่สองมันก็สงบมากขึ้นชาที่สามก็มากขึ้นชาที่สี่ยิ่งก็นิ่งเลยอันนี้เรียกว่าเป็นความสงบระดับต่างๆเรียกว่ารูปประชานสี่แล้วยังมีความสงบละเอียดกว่านั้นอีกสี่เรียกว่ารูปประชานสี่เป็นแปดด้วยกันความสงบของจิตนี่มีสี่สี่ขั้นด้วยกันแปดขั้นด้วยกันคาถามจากทาง youtube คุณอนมาค่ะ เวลาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเราควรกําหนดไว้ที่ไหนของร่างกายที่ถูกต้องคะไม่ต้องกําหนดที่ร่างกายกําหนดที่พุโทโธตัวเดียวอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวให้รู้ว่าเรากําลังมีพุโทโธอยู่ในใจเราพอให้อยู่กับพุโทโธไปคําถามจากคุณแรมหนึ่งหกแปดเกากับเรียนถามท่านหลวงพ่อครับผมเคยทําบาปและผิดศีลมาเยอะปัจจุบันได้ถือศีลห้าเป็นปกติแทบทุกขณะจิต เหมือนเป็นอัตโนมัติมาหลายปีแล้วและภาวนาด้วยเท่าที่ทําได้จะมีโอกาสได้ปิดอบายหรือเข้ากระแสบ้างหรือเปล่าครับก็อยู่ว่าบุญกับบาปมันไหนมากกว่ากันถ้าบาปยังมากกว่าบุญก็ยังบาปก็ดึงไปอบายได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าบาปหรือมากกับบุญดูตอนที่เรานอนหลับถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีก็แสดงว่าบุญมากกว่าบาปถ้าฝันร้ายอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าบาปยังมากกว่าบุญอยู่ก็ต้องรีบทําบุญให้มากขึ้นลดการทําบาปให้น้อยลง เพื่อที่จะได้ให้มันให้ให้บุญมันมากกว่าบาปคำถามจากคุณพลังลาดนอกผมขับแท็กซี่ครับผู้โดยสารให้ทิปเราไม่รับจะดีไหมครับคนจะรับไว้เขาอยากจะทำบุญเราก็รับไว้ให้เขาได้มีโอกาสได้ทำบุญส่วนเราจะเอาไปทำอะไรก็สุดแท้แต่เราแต่ถ้าเขาให้แล้วมีเงื่อนไขว่าให้ทิปแล้วจะต้องไปทำนู่นทานี้ให้เขาเราก็สามารถปฏิเสธได้ถ้าเราไม่อยากจะทำตามที่เขาต้องการ แต่ถ้าก็าให้เพื่อให้โดยโดยโดยโดยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาเห็นว่าเราทุกข์ยากลําบากอยากจะให้เรามีเงินใช้อาก็รับไว้ได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขเราก็ไม่เป็นหนี้เขาแต่อย่างไดเราไม่ต้องไปตอบแทนบุญคุณให้กับเขาแต่ถ้าเรามีโอกาสแล้วก็อยากจะอยากจะตอบแทนบุญคุณนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีความจําเป็นไม่มีข้อบังคับว่าเราจะต้องเป็นหนี้บุญคุณของเขาเพราะเราไม่ได้ขอเขา คำถามจากคุณสุกัญญาค่ะคนทำความดีมีเทวดารักษาจริงไหมแล้วถ้ามีจริงเทวดาตนนั้นคือใครเจ้าคะก็ในอนิสง์ของความเมตตานี้ก็มีแสดงไว้ว่าคนที่ทำความดีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเป็นเ ท, เนเทวาดาองค์ไหนก็แล้วแต่ว่าเทวดาอางค์ไหนเข้ามารู้เข้าถ้าเขาอยู่ใกล้เราก็าเห็นเราเทวดานี้อาจจะไม่ได้หมายถึง เป็นกายทิที่เพียงอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นคนดีที่เป็นเทวดาคนที่คนที่ใจบุญเนี่ยแล้ว เ, เลือกเป็นเทวดาถ้าเห็น mm. เขาเห็นเราทําความดี mm. เขาอ่านใจาสนับสนุนเราเหมือนเมื่อกี้นี่คนขับแท็กซี่เห็นัหมทําความดีไม่ไม่โกงผู้โดยสารผู้โดยสารประทับใจก็เราอยากจะทําความดีตอบแทนอันนี้ก็เหมือนเทวดาคุ้มครองรักษา คำถามจากทาง Facebook คะ่ะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายโดนรัดแน่นยิ่งนงั่งยิ่งโดนรัดพอออกจากสมาธิรู้สึกปวดม่วยไปทั้งตัวถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมคะก็สติเร า, ามีกำลังน้อยจิตมันก็เลยแสดงอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาถ้าเราดูลมมัน เ, เปลี่ยนมาพุโทโธจะดีกว่าเพราะพุทโธนี่จะช่วยคลายอาการาต่างๆได้ดีกว่าการดูลมเฉยๆ คำถามจากคุณสุกัญญาค่ะคนขอโทษค่ะเป็นคำถามจากคุณมนชัยค่ะพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันปกติจะเข้าใจหลักปฏิจจสมุตบาทด้วยไหมครับเข้าใจเข้าใจทุกกงเพ็นงแต่ยังละตันหาความอยากไม่ได้หมดละได้บางส่วนม ห, มหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้ามีถามว่าเชิญถามได้ a s n g i t Would you like to speak? Ask question. You are welcome. Come here. He will give you the microphone. Am I our microphone? Yes, I only have just one question. Can you can you hear me? Yes, yes, good. So, from your point of view, or from Buddhist point of view. What about the desire? Because desire, for us, is the force to move us forward yes. to get something to desire. But yes. I think the your point of view is different. So, yes. can you explain yes. about the desire? There are two types of desire: good desire and bad desire. Bad desire will lead you to suffering. Good desire will lead you to happiness. So you have to know which which type of desire you should have. The desire to have have money, for instance, this is bad desire. Why? Because money is not reliable. Sometimes you can have it, and sometimes you can lose it. When you lose the money, then you can suffer, and you cannot control the money that you have. You cannot say that it will be, will stay with you all the time, because sometimes you can lose the money. You see people who went bankrupt. What happened to them? They are very very sad, right? So it's not good to go after money. But you say, well, without money, how can I live? Well, just go enough for living, not not more, not for richness. Just have enough money to survive. Then you don't have to have too much money. And there are other ways of surviving without money. You can work in exchange for food. You can work in exchange for, or you you can become a monk like me, and you don't need money. Then you won't have any suffering with money. Okay. Hi. Yes. Understand. So t the good desire is to have to meditate and to have happiness for meditation, because happiness for meditation is. Reliable, you can always have it any time you want. Once you know how to meditate, so the Buddha teaches us to to have good desire, to have the desire to meditate, to become monk. This these are good desire because they lead you to happiness. Other desire, the desire to have money, to have a wife, to have anything, something like they are all unreliable. They're not. They can be gone any day, any time. So when they gone, they they can leave you sad and unhappy. Okay. Yes. Alright. Anything else? You can you can ask if you like. Any questions? Okay. Questions from Ram. Okay. Questions from Ram. การที่เราจับความรู้สึกในกายเช่นทางผิวหนังให้เหมือนการระวังภัยนั้นถือเป็นการภาวนาหรือไม่ครับมีผลดีหรือเสียอย่างไรบ้างครับยังไงนะจับความรู้สึกในกายทางผิวหนังให้เหมือนกับเป็นการระวังภยัยถือว่าเป็นการภาวนาหรือไม่ครับก็มีสติแล้วเป็นการเจริญสติแต่ยังไม่ถึงกับสมาธิสมาธิต้องนั่งให้นิ่งๆให้จิตสงบ การมีสติคอยระมัดระวังควบคุมรักษาความปลอดภัยของร่างกายก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งไม่ให้ใจลอยไปคิดกัเรื่องต่างๆหมดแล้วนะโอเ ค, อ เ, คเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ